ณสถานที่วัดอภวร น, นั้นทั้งฝ่ายบรรพชิตผู้บวชในประาาสาทขนห์จิตสงฆ์องเองและฝ่ายฆรวาดท่านอุบาสกปิิกายืนยันรับรองคารพูชาพระสนะกายและบางเป็นประโยชน์ทั้งแต่ตนเป็นการสร้างบารมี เห็นได้ชัดเจนที่เรามาปฏิบัติทานั้นก็ต้องมาสร้างบา ร, รมีสร้างความเพียรสร้างความพิจารณาตอนสร้างผลให้เกิดก็ะเสิฐในบุญกุศลที่เราตั้งใจมาทุกประการการสร้างบุญสร้างกุศลนี่ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทาได้ยากมาก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 จเจริญบ้างไม่จเจริญบ้างได้บ้างเสียบ้างถูกบ้างผิดบ้างเราก็มีทราบจะจะผิดถูกประการใดก็ตามขอให้ทำด้วยความขั่งใจจริงแรงออกมาในจิตใจของชันนั่นแหละท่านจะรู้ว่าตัวบุญคืออะไรตัวกุผลคืออะไรทึ้งจากทีิฐารติดขึ้น พระพุทธเจ้สอนไว้ชัดเจนแล้วแต่ก็ต้องพิจารณาตนอีกเหมือนกันเราทำไมไม่เหมือนเขาเขาทำไมไม่เหมือนเราเพราะว่าบา ร, รมีมันแตกต่างกันไปจากการบาเพ็ญ น, นี้เองการบาเพ็ญเพียรการสร้างสติสร้างอารมณ์สร้างกุศลสร้างไว้ให้มันถูกต้อง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 ภาวนาบารมีอันนี้สําคัญทานบารมีตัวนี้เนี่ยเราจะได้ผลก็ต้องมีบารมีขั้งตอนเราไม่มีบารมีไรวาสนาขาดบุญแล้วท่านจะสร้างไม่ได้ผลท่านจะทําไม่ได้ประโยชน์จะเพิ่งได้น้อยนะน้อยมากมันอยู่ตรงจุดนี้เป็นจุดสําคัญ ศีลบารมีก็คือกรรมาฐานฐานบารมีก็คือกรรมาฐานภาวนาบารมีสร้างกุศลบุญยาลาศีเนฆมาปฏิบัตินี้ก็เรียกว่าเรามาสร้างบารมีกันมาบำเพ็ญเทียนกันสร้างใจที่จะสูตดมุ่งหมายของคุณประสิรณาตรายยึดเหนี่ยวทางใจให้แน่สนิทในหัวใจ บรารมีทิงจะเกิดธรรมไรทิ้งจะประเสริฐอธิฐานทิ้งจะขึ้นทามนี้ใช่เป็นเช่นดังกล่าวแล้วท่านจะไม่ได้อะไรที่ตัวท่านไปเลยคําว่าบรารมีในที่นี้นแปลทั้งสามชั้นบรารมีเบื้องต้นก็คือต้องบำเพ็ญเพียนบำเพ็ญกระมปัสร้างความเพียนให้แนบเนียนอยู่ในจิตใจ ขยันหมั่นเพียรสร้างความดีให้แต่ตนพยายามอย่างยิ่งอย่าสร้างตนให้เกิดผลโดยความเพียรทุงตนทุกเรตุการณ์นี้บาร ม, มีแห้งกลางทาแล้วได้ผลหมายความว่าบาร ม, มีเต็มเตี่ยมเพียรพร้อมทั้งทานทีลภาวนาทั้งสามอย่างครบในบาร ม, มีทังตนแล้วจะทาอะไรก็ได้ผล ทำอะไรก็ได้กสอนจะนึกอะไรก็ได้ตามที่นึกคิดไว้ถูกความถูกต้องคุณตนนั้นจาพิจารณาจิตจะทำอะไรก็ไม่พลาดจิตทำแล้วก็ถูกต้องบาลมีก็จะช่วยตนเองแล้วด้วยสรางสารมาหลายครั้งชาติหลายชาติหล า, า, หล า, า, หลาอดีตเราสร้างมาจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลานานมาก แต่เราก็ไม่ทราบว่าเราสร้างอะไรกันมาสร้างบุญหรือสร้างบาปเพราะเราก็ไม่ทราบแต่เรามาเจริญสกกรรมาถามเดี๋ยวท่านจะทราบเองว่าเรามีบา ร, รมีไหมมีความเพียรไหมสร้างใจเจริญกุศลภาวนาแท้จริงหรือประการใดเดี๋ยวก็แจ้งใจละแจใจเราเป็นปัจจตังเกิดขึ้นเฉพาะตน ตอนนของตอนนี้เ น, น, นี่ยเป็นที่ทาบเป็นที่เข้าใจของตอนแต่เรากสร้างบา ร, รมีความเพียรแห่งความดีอันนี้ทำยากไอ้จิตนี้มาเหลวแหลกแตแกล้านมันค่อยจะมากระซิบให้เราทําชั่วมากระซิบให้เราไปหาขวงหาสิ่งที่เลวร้ายและไร้สาระมันจะแย้งตัวเองเสมอแต่เราต้องมีขันติบา ร, รมีเพิ่มขึ้น คือความอดทนเราจึงจะสร้างผู้สนเป็นบา ร, รมีอันนั้นได้แต่เราไม่มีขันติบา ร, รมีผู้สนที่มีก็สลายหายไปบุญที่มีอยู่ก็หายไปเพราะอะไรเพราะไม่มีขันติบา ร, รมีไม่มีความอดทนสร้างผู้สนนั้นไม่ได้ถึงจะมีศรัทธา ม, มากมายไกกองอย่างไรจะขาดความเพียร ขาดบา ร, รมีบางตอนแล้วท่านจะไม่พบบา ร, รมีชั้นกลางบา ร, รมีชั้นกลางเนี่ยหมายความว่าเข้าถึงกุศลแล้วท่านจะทําอะไรก็อดทนอดกลัน้นอดออมปันญาน้นอมยอมความท่านจะทําอะไรไปแล้วความหนักก็เอาเบาก็ต้องสู้ความรู้จะเกิดขึ้นความรู้ตัวนี้คือความรู้ในปัญญา รอบลูในเหตุผลข้อเท็จจริงในตนเองจะรู้ว่าตนเองทำอะไรอยู่นะอันนี้ได้กำไรหรือขาดทุนมันจะรู้ว่าบารมีชั้นกลางไม่ใช่บารมีชั้นตนเราจะรู้ว่าวันนี้เราขาดทุนอย่างน่าทิด้ไม่ได้ทำอะไรเป็นประโยชน์กับตนเลยเราจะรู้ขาดทุนอย่างร่อยับมันจะแจ้งแต่จิตของเราได้ ด้วยบาลามีอันนี้จึงเรียกว่าปัด จ, จัดตังรู้เฉพาะเราเป็นผู้รู้ทำงนานคนอื่นหาได้รู้ใหม่ผลงานในชีวิตนี้เนะี่ยคือเป็นบาลามีที่เราสร้างมาในวันนี้ยกตัวอย่างในวันนี้เป็นต้นตั้งแต่เช้ามาถึงขณะปัจจุบันนี้กานะ ท, ทำอะไรบ้างมันจะแจ้งให้เราทราบ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 นี่แหละเป็นบารมีชั้นกลางเราก็จะสะสมบุญเข้าไว้สะสมไว้ถึงละอานพละน้อยก็เกิดผมมากขึ้นเหมือนหยาดน้ำใส่ตรงมันเต็มเราก็จะรู้แจงแ้งกระจายว่าอ๋อเรามีบารมีได้แล้วทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีเกิดเนข่ขมมะปฏิบัติจุดก็สงบ ท่านจับลาลบทำของท่านได้จะไม่แสบไม่ทางชั่วอีกต่อไปเราก็แจงกระจายว่าวันนี้เหนื่อยมากกระจายเช้าสร้างบารมีมามันก็เกิดผลอา น, นิสงส์แปลว่าชื่นใจอา น, นิสงส์ตัวนี้แปลว่าดีใจอา น, นิสงส์ตัวนี้แปลว่าพอใจแล้วแล้วได้สร้างมาไม่อเช้านี้สร้างมาเมื่อคืนนี้เป็นต้น นี่แหละบารมีข้อนี้จากการปฏิบัติธรรมเป็นสายกลางบารมีข้นงกลางเนี่ยจะอธิษฐานขึ้นอธิษฐานให้ลูกดีมีปัญญาก็จะได้ผลออกมาอย่างนี้บางคนก็พราวจะมาฟังว่าไปแผ่ให้ลูกลูกก็ไม่เอาลูกก็ยังไปูนชั่วี่ไม่เสีย เ, เรียนยังซื้อมาอยาาเปลี่ยน ตอบได้ทันทีเพราะท่านไม่มีบารมีพอที่จะสอนลูกท่านได้ความดียังไม่พอจะไปสอนลูกมาเชื่อฟังก็เหตุด้ยท้องแม่ไม่มีบารมีเลยสร้างความดีก็ยังไม่ได้ดีสร้างบารมีไม่เด็ดผลเพราะทำไม่ถึงขั้นดีและจะเอาความดีไปแผ่ให้ลูกให้ลูกเชื่อฟัง ให้ลูกน้อมเอียงมันาทางที่ดีก็แสนจะยากทำด้วยความลำบากไม่ใช่ของง่ายเท่าไหร น, นะแต่กลายเป็นของง่ายของบุคคลที่ทำด้วยความตั้งใจบาเพ็ญเพียรอยู่ตลอดเวลาการเรียกว่าขันติสบาลมีฌานก็เกิดขึ้นศีลารวัตก็เกิดขึ้นมีสติทุกอริยบทสรมมาชัญญารู้ตัวอยู่ตลอดรายการ จะปฏิบัติบา ร, รมีทั้งตนี้มันอดทนดีูตลอดหนักก็เอาเบาก็ต้องสู้ตายให้มันตายจะได้เห็นผลออกมาอย่างนี้เป็นตน้นถ้ทาท่านขาดบา ร, รมีอันนี้มันจะไม่ได้ผลสารที่ถานจิตก็ไม่ขึ้นเพราะจิตมันว่างจิตมันว่าจิตไม่มีบุญจิตไม่มีกุศล ไม่ไจะตั้งใจเจริญกุศลภาวนาแต่ประการใดเลยท่านก็อ้างว่ากล่าวไปเปล่ามาไม่มีบา ร, รมีขาดวัชนากุศลก็ไม่ได้ความดีก็จะไม่ถึงสุดที่สุดที่ก็ไม่เคยดเชื่อความไม่เลยสุดก็หมดไปไหนเลยเราท่านจะสร้างบา ร, รมีอันนั้นได้ก็คงจะไม่ได้ผลไม่ได้นิสงแต่ประการใด อันนี้บาลมีขั้นกลางไม่ต้องขั้นปลายสามารถอธิษฐานขึ้นให้ลูกได้ดีได้ให้ครอบครัวมีความสุขได้บารมีขั้นกลาขั้นกลางเนี่ยอดทนสูงมีขันติอดทนจะเป็นสามีภรรยาหนักเอาเบาวสู้ก็จะไม่ใส่ร้า ย, ายป้ายสีจะไม่ทะเลาะวิวาดกันสามีก็อดทน ภรยาก อ, อดทนสร้างกุศลร่วมการสามีภรยาเขาก็ไม่ทะเลาะวิวาทการชั่กขันติทำอยู่แนบสนิทผิดมุจัดบารมีก็เกิดขึ้นทานก็มาพยาจะบำเพ็ญทานเ้ื่อการมีสติสัมชัญญะพอท่านมีสติสัมปชัญญะแล้วทานก็มาเองทานคืออะไร ทานคือการให้ทานคือการช่วยทานอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าเสียสละความชั่วอจากตัวได้เสียสละสันดานทิฏฐิมันนะเดิมให้มันหมดไปเสียสละอันนั้นออกจากตัวได้เรียกว่าทานบา ร, รมีได้าเสียสละความชั่วจากตัวไม่ได้แล้วไม่เป็นบา ร, รมีเลยบา ร, รมีท่านจะไม่เด้อด้อน ้ไปทำถวายฉงอาทานอีกร้อยวัดท่านกาไ็ไม่ได้พ้นก็เหตุใด้่านยังมีที่ฉีมานะเพราะศิลาจารวัตไม่มีขาดสติในการทำทานขาดสัมชัญญะความรู้ตัวในทำทานกิจาการก็มาเจริญรุ่งเรืองอันนี้สุดนี้ไม่มีใครพิจารณาแต่ประการใดถ้าท่านเจริญกรรมฐ า, านก็หมายความมีสติอยู่ มีสัมมาชัญญาอยู่กับตัวกําหนดจิตดได้ควบคุมจิตไม่ได้อย่างนี้ก็ศีลบารมีศีลเกิดบาลมีแนละ้วจะไปสู่สุคติก็ได้ทรัพย์สมบัติก็เนืองนองก็อครองสมบัติโภคทรัพย์ก็เนืองนองสมบัติก็มีขึ้นคุณธรรมก็เกิดขึ้นตรงนี้เรียกว่าบารมีขั้นกลางเขานั้นสามารถอธิษฐานขึ้นทั้งนั้น มันก็จะเกิดถอนได้อันนี้สงส์ประจำตัวของตนเองประจํานี้ดีในตัวความชั่วคือเสียสละมันจะออกไปจากตัวเองได้เรียกว่าบาลมีเสียสละสร้างให้มีสติสร้างให้มีกุศลภาวนาเข้าไว้ในตอนคือควบคุมจิตไว้ให้ได้ถ้าจิตอยู่แรงนี้มาได้จะขันธ์ิความอดทน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 ในส่วนตนและครอบครัวจะไม่ควรปัวอยู่กับที่อื่นแต่ประการได้นี่เรียกว่ากรรมฐ า, านนสามารถใช้ฌานบารมีอันนี้ได้ฌานการให้การช่วยฌานแปลว่าสงเคราะห์ฌานแปลว่าอนุเคราะห์สงเคราะห์หมายความว่ากะลายหมายความว่าเขาไม่มีอะไรเลยช่วยเขาสงเคราะห์เขาอย่างนั้น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 ส่งเ้าตายเ็าไม่มีอะไรจริงๆขอสองเคราะห์เขาไปให้หีบศบให้ขดสารให้เครื่องครัวแล้วให้เงินให้ทองไปใช้อย่างนี้แสดงว่าสงเคราะห์แปลว่าเขาไม่มีเลยแต่เขาโรนันมีแต่เรามนุษย์จะทั้งคันล้วอยู่ร่วมกันบ้านท้องทิ่นเดียวกัน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 แล้วเอาตัวไม่รลอดอภิษฐานอะไรจะขึ้นละ่ะอธิษฐานท่านมีอกุชนลกรรมท่านจะอธิษฐานในเรื่องกรรมกรรมมันจะซักท่านในวันหนึ่งข้านหน้าสวได้อภิษฐานขาวาเป็นดำไม่มีกิจกรรมที่มีประโยชน์เลยอธิษฐานให้สาเร็จแต่ท่านมีอกุชนลกรรมงานท่านจะไม่สาเร็จจะขาดทุนอย่างร่อยยับ ถาจิตขาวเป็นกุศลแล้วสร้างไว้ในตนมากมายไก่กองแล้วอธิษฐานขึ้นจะทำอะไรก็มีหน้ามีตาทำอะไรก็มีคนช่วยเหลือสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่างสงเคราะห์ด้วยช่างอนุเคราะห์ด้วยทุกอย่างก็สามารถจะเป็นไปได้ตามคำนองทองคำอย่างมีเป็นส้น บาร ม, มีท่านตนก็คือต้องสร้างให้ต้นก่อนสร้างให้ต้นก่อนให้ทำความเพียรวิเยเยนะทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรเท่านั้นถ้าไม่มีความเพียรขวนขวายคนทุกข์ไม่ได้ร่วงทุกข์ไม่ได้ความสุขไม่ได้เลยแต่สร้างบุญมาเรื่อยๆสร้างกุศลเรื่อยๆทำตัวเองให้มีกำไร อย่าอยู่ แ, แบบขาดทุนอย่าอยู่แบบขาดทุนขาดทุนแล้บุญไม่ช่วยถึงพราวมวยก็จะต้องม้วยมรณาแน่นอนที่สุดโลกภัย้节เจ็บเบียดเบียนก็ไม่มีใครจะช่วยต้องอาศัยบุญของเราเองต้องอาศัยกรรมดีของเราเองที่เราสร้างมานั้นแจะช่วยตัวเองไ ด, ได้ได้แน่นอนที่สุดหนอกเหนือจากนั้นไม่มีทางช่วยแน่ ่อไปพึ่งพาสายใครก็จะช่วยหเราขอฝากท่านผู้ปฏิบัติธรรมไว้ด้วยภาขาาคั้นบา ร, รมีชั้นกลางอธิษฐานขึ้นหมดถ้าเรามีทุนบุญกุศลอยู่ในใจิตใจท่านไม่มีบาปอยู่ในใจท่านไม่อิจฉาใคยไม่ลิศสียไทยมองคนให้แง่ดีมองคนให้มีปัญญาคนเราเนี่ยมันก็มีดีมีชั่วไม่ใช่ชั่วไปทั้งหมด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 ม่ยากแต่ประการใดขาดกุศลขาดบุญเสแล้วขาดบารมีแล้วไปไหนไม่มีคนมองหนะ้ามองตาแต่ประการใดบารมีแต่อาภูชลธรรมไม่มีใครช่วยเหลือโมงก็ช่วยไม่ได้เราจคเห็นละครชีวิตของลิเกละครเก่าโมงแดงก้าวเท้ช่วยโมกดำวิญญาณช่วยได้โมกขาว ก็คือบุญกสศลที่เราสร้างดูนี่นบัดนี้ช่วยเราได้ช่วยตัวเองได้เนี่ยมีสารักษนาการสามโม่หรือชายประหลาดสวมหน้ามานั้นก็ไม่ทราบว่าท่านพูดได้ถ้ามองไม่เห็นตัวเขามองเขาทำให้เล่นให้เราเห็นวันโมวิญญาณที่เราแผ่เมตตาเกระชนก็้หลวกลับไปแล้วสูทั้งหมดจะพบสามารถช่วยได้แน่นอนช่วยได้แน่ คือมองดามคือวิญญาณช่วยพอพูดมาถึงตอนนี้นึกได้ก็ขอเล่าให้ท่านฟังมาสมัยหลายสิบปีมาแล้วมาสมัยหลายสิบปีทางยังไม่เจริญมีเส่นเดียวเท่านั้นยังเพิ่งเสร็จใหม่ๆทางสาเอเชียมีคาเดการพูดหนึ่งสามีภรรยาทำงานก็ะทวงมาไทนมีวิญญาณมาเข้าฝัน ขอให้สวายช่งางอาชาให้หน่อยเถอะเราจะไม่ลืมท่านเลยเราตกทุกข์ไดา้ยากขอให้สวายช่างทานให้เราหน่อยพอพูดสั่งนี้แล้วก็ตืน่นขึ้นมาปรึกษาสามีพระยาติว่าทิ่ฉันได้ฝันไปเมื่อคืนนี้ตอนตีสามคึ่งว่าวิญญาณมาเข้าฝันก็มีทราบว่าเป็นใครบอกให้ทําบุญให้ทาน ถวายังฆท า, านให้หน่อยเชิญสามีภรรยาก็าปึกษาหลือการก็เอาเป็นต่อขาวเขาหนึ่งหวานเขาหนึ่งไปถาวายวัตถุทัต์จ้ากครคดมสมเด็จตบุตรทาจานันสังเวียมบานหลวงยุทธยาอัานแดดมรณะพาไปนานแลอรู้จากกตามาด้วยอันเป็นสมเด็จตบุตรทาจานัน ถามสองสามภรรีภรรยาว่าถวายฉลองทานให้ใครเหรอนา ม, มีภรรยาบอกว่าฝันไปว่าเข้ามาข้าฝันถวายฉลองทานให้หน่อยแต่ก็ไม่ชาว่าปู่ย่าตายายหีืก็เป็นวิญญาณใครก็ไม่ท ร, ร, ราบแต่ว่าควรต้นเดบุษฐานวสิทธะเชพ่ารามอเดมรนาพาไปนานแล้ว รืยท้องเด็ดชาจามเชียงยั ง, งบ้านอยูยุทยาตัตมาลูกตากระชัดีท่านก็บอกเอาครวดน้ำนะจะให้พรถ้าสินานุปทานให้จะดวงวิญาณดีนถวายสังฆทานระยาฐาากับีเสร็จอยู่เมาในเวลา้งควรของสามีภรรยาก็พักร้อนจะเดินทางไปเชียงใหม่รถตู้ทั้งครอบครัวสามีภรรยา เอาลูกไปด้วยลูกห้าคนพากรอนจะพาลูกไปเที่ยวเชียงใหม่ในเวลากางรุ่งวร น, นั้นก็ไปยังไม่ได้วแวะวัดอัพวันเือนทางไปก่อนไปตีหนึ่งเลยจังหวัดตากเรียวโคง้งจะเดินทางไปเถินผ่านไปเข้าชูลำปางทีหนึ่งพอดีมันจะเรื่องอับสจรมล้วนบันดาล เข้าไปรถสองคันรถเสียงอีกคันหนึ่งพ่วกพองกัน5้าคนแต่เขามารถตัวออกหน้ามาเสียงประหลาดดังขึ้นในรถดัดงในรถโชเฟอร์จอดชิดซ้ายโชเฟอร์จอดชิดซ้ายิดช้ายด้วยชิดซ้ายดวนดวนดว น, ดวนเร็วด้วย ฝ่ายโชเฟอร์ก็จะ ย, ยินนึกว่าเจ้านายหลับอยู่ข้างหลังจะลงไปเบาฝ่ายเจ้านายก็นึกว่าข้างนาพูดไม่รู้ใครพูดกันพูดหนักเข้าหนักเข้าก็โชเฟอร์ก็บอกเอ๊ะเจ้านายถ้าจะลงบ่ายก็ชิดซ้ายสอดมุมรถทุงรล่องมาสองพันชนแหลกเลยรถตามหลังมาตายหมดทั้งห้าศพอขาดแขนขาดขาขาด ตายหมดเลยแต่รถตู้นั้นสลอดภัยมีทุงเขียนบุกไปหน่อยเดียวนี่แบบะทนทั้งหลายเอยเลยเข้าไปเชียงใหม่ท้างแรนสองคืนกลับุ่มใจพวกอีกคันหนึ่งตายหมดทั้งคันเลยก็ต้องจัดงานจบกันต่อไปไม่ต้องไปเชื่อวกันต่อไปแล้วแล้วกลับมาวัดหววันก็เล่าให้ตา ม, มาฟัง ตรรมาก็บอกเออ ม, มงดำช่วยนะที่ทานถวายฉัาทานอ้เจ้าประคุณต้นเดชพุทธาจามสังเฮียงวัดพุทธาเทพรารามาเดดมรณ ะ, ะาพาไปหลายปีน ะ, ะมารู้จักกับท่านดีเป็นเคยมาที่วัดนี้ออนยังมาเดดเป็นกับาระคุณต้นเดชพุทธาจามแต่ประการใดธรรมาก็เล่าให้ท่านฟังนั่นทานทานทานามัยไม่กัน การให้ทานจะ่เป๋จะชนรุ่งรับไปแล้วู่ท่านปริยพพก็มาเล่าให้ฟังอย่างนี้นั่นแหละวิญญาณช่วยแลงถ้าไม่มีเสียงประหลาดดังขึ้นมารถทรงมันล่องมาสองคันรถกำลังวัยก็ตอนชน ก, แก็แหลกแตกลานก็อาจจะตายหมดทั้งคันคันหลังตายหมดเลยห้าคนห้าศพลดทุงสองคันขยี้หมดเนี่ยท่านสาธุชนทั้งหลาย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 ช่วยลูกได้รอดพ้นจากอันตรายและตายจากโรคได้บางอย่างบางประการโดยไม่โดยไม่ฉุดวิสัยไม่เหลือวิสัยจะประการใดนี่แหละท่านสาธุชนผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเห็นชัดเขาก็กลับมาเขาบอกว่าวันนี้ดีฟอ่อหมดขอให้หลวงพ่อไดช่วยให้สิ้นให้พรว่าเขายังจิตใจไม่สบาย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 ้าเขาไม่เชิด้ายสอบ ด, ดิมถนนเขาก็ต้องตายทั้งทานคื่รถตู้นี่แหละท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราปฏิบัติธรรมได้ล้วแผ่เมตตาที่จงโศนให้เปรชรนผู้ร่วงรับไปแล้วสู่ทัางริยภพได้ผลอย่างแน่นอนจะเป็นปู่ย่าตาลิยายตกนรกหรือจะเป็นภรรยานาไม่เพื่อนร่วมชาติติดตายจากกันไปอาจจะไปอยู่เป็นเปรต มาธุลกายที่ไหนเราก็ไม่ทราบเหมือนอย่างขาสงฆ์ตายเป็นแต่อยู่ในวัดนี่คือหลงตาเฟือยยังอยู่จนบัดนี้ที่มาแพทยหญิงบนเยี่ยมที่เห็นที่กุฏิกรรมฐ า, านมาขอส่วนบุญก็คงจะไม่ผิดชาติวันนี้เราให้ท่านฟังทามที่นภวนาณครบตามกำหนดรายการนี้เนี่ยขอให้อุเชษส่วงผู้สอนให้ไปตะชนร่วงรับไปแล้วจะเป็นท่านผู้ใดก็ตาม ก็เป็นชัโมเอื้อเที่ยวทองในวัตถทุงสารไม่มีอะไรดีเท่าการเจริญกรรมฐ า, านทางีินะภาวนาเป็นหลักการสร้างบารมีกุศลบุญยลาศีแล้วก็อุทิศไปจากบารมีขั้นกลางอธิษฐานไปให้ปูก่กระยาตาพยายอธิษฐานไปเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศอธิษฐานจิตให้แรงกล้าด้วยอำนาจบุญที่ชาติกุศลที่ได้ทา ให้ลูกได้ดีมีปัญญาให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญเติดโตสามารถจะอธิษฐานไดา้หากว่าไม่มีบุญวาสนาไม่ต้องอธิษฐานมันจะเป็นบาปจะเป็นกรรมแล้งแค้ น, นจะไม่สามารถจะแสนจะชิาดมันจะไม่สามารถจะพิจารณาปัญญาของท่านได้นดี่แหละวันเวลาล่วงไปเราทําอะไรอยู่การเจริญกุศนภาวนาดาีที่สุดปั้น ทั้งหลายอย่าได้ประมาทอย่าประมาทเกี่กับการกระทำของตอนทำอะไรระแวดระวังระวังพิษอย่าให้กลายเป็นพิษเป็นพายระวังใจให้สงบกล้าลบธําทําให้เรามีทัญสีวิธีช่างความดีในอารมณ์ของตอนตลอดการเจริญกรรมฐานยืนหนอห้าครั้งทําให้มันได้ในสติอยู่ก็จิตยังไม่มีใครทําได้เลย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 สวดมนต์ไว้พระแล้วปัเรจเริญกุศลภาวนาได้บุญได้กุศลก็แผ่แรกขยายถาวายเป็นพละกุศลต่อสมเด็จยา่าต่อมหาบพิตรองค์มหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าเราก็ได้บุญมากได้บุญเปรียบเกรียมไว้ทุกวันแล้วก็สะสมไว้ทุกวันสวดมนต์ภาวนาสวดมนต์ไว้พระแล้วเป็นการสะสมบุญแท้ ทำอะไรก็มีจิตใจเป็นกุศลวจาจะพิถาอะไรก็ขึ้นนี่บุญบาลามีชั้นกลางเราทำสูงสุดขึ้นไปถึงบริสุทธิ์ใจติดเอากคตาอันดับหนึ่งเรียกว่าบาลามีขั้นสูงไม่กลัวใครกลา้าสร้างความดีไม่กลัวไม่กลัวลุ่งระแวงทั้นผู้ดายจะอิจฉาฤทยาแต่ประการใด ถ้าท่านผู้ใดมีลำบิดบารมีท่านท่านสูงทั้นสามลาบลองจะใครมาอิจฉาคนนั้นได้ผลแน่แนะแตเข้าอาริยปะวะอันตรายจะเกิดอันตรายในยุคใหม่ปัจจุบันทุกวันนี้ บ, บารมีทั้นสูงเรียกว่าบารมีแต่กล้าจะอิจฉาในากระขื้นกระแพเมตตาให้ใครก็ได้กระแพตอนไหนก็ได้เชอบบารมีมาเต็มสร้างบุญกุศลมานาน สะสมไวมากมายหลายะกานนั่นแหละบารมีจันสูงชาตทานได้ถึงบารมีจันสูงแล้วสบายมากจะทำอะไรก็ได้ผลจะช่วยคนช่วยเหลือใครก็ได้ผลจะแผ่ท่วนกุศลถึงใครก็ได้ถึงตอนนั้นนี่บารมีมีสามชั้ น, ช น, นขั้นต้นคือตัวเราต้องอดทนต้องแก่กล้าต้องพยายามยังยิ่งในตัวเอง บารมีขั tea, glucose, reunion, tea, woman, heart tea, heart ้นกลางคือเต็มเนี้ยบารมีพอแล้วที่จะช่วยคนอื่นได้ช่วยพี่ช่วยน้องช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยลูกช่วยหลานได้บารมีขั้นสูงก็คือบารมีเต็มกล้าไม่กลัวใครไม่ลุ้งระแวงใครใครจะสายไล่ปลายสื่อก็ไม่กลัวทั้งนั้นนี่แหละบารมีชั้นสูงใครจะทูกขอให้ช่างช่วยกันช้างไปถึงขั้นสามให้ได้ รับรองท่านจะทำอะไรก็ไม่มีทุ ก, กข์ในแต่ความสุขในชีวิตค ว, ความสมุขในชีวิตท่านเคยดูความสงบให้ไปบุ่นวายกับใครมะเดือ้นใจกับคนความชั่วมัว่วอบายใจประการใดก็จะได้ผลเหมาะสมค่าปรัฒนายังได้ยกตัวอย่างให้ทราบแล้วเนี่ยบนช่วอ่ะ ถวายสงฆทานถวายเปตะชนวิญญาณช่วยได้มีแหลมโม่งดามช่วยได้มือะยังเล่นปรลามปาามิยายโบราณคือวันทองห้ามทับไม่ให้ลูกไปตายในสงครามโดนปรหารชีวิตตัเอมก็ตายคือแม่วันทองโดนประหารชีวิตของขระเจ้าพันวรสาแต่แล้ววิญญาณก็ออกไปช่วยห้ามทับไม่ให้ลูกไป แต่ละคนมาศึกตายในทุกขลาวก็สามารถได้มี่เราวิญญาณทั้งหลายเอ๋ยอยู่ในสาปนพิพพในโลกมนุษย์ทั่วไปถ้าเราแผ่เมตตาอุเชกงโคสอนให้เขาทุกวันทุกวันวิญญาณก็จะมาช่วยเราเปตะชนที่ได้รับหมายตาจากพระ้วหลายชาติหลายตับใลกันก็สามารถจะช่วยเราได้ด้วยเมตตาพระมีอันนี้ อันจเจริญกุศลภาวานาเข้าขัน้นตอนดังที่กล่าวมาด้วยเมตตาธรรมอันเป็นลึกซึ้งแกจิตใจท่านอันจะมีแต่การแผ่ส่วนกุศลอันกระเพจะชนอันแกเจ้ากรรมในเวรอย่าได้สร้างเวรสร้างกรรมกระเครเลยโปรดอโหที่จ ร, รมาเชียอย่าไปต่อเวรต่อกรรมให้มันมีกรรมมีเวรจะทําไม่หย่านเหมัอนแสตายเช่งถึงตายอมมาภาคตายอย่างหน้าอเนตนาด แถมตายกลางถนนทุนทางอีกมีมากหลายตามทั้นเวสีทองเกียอยู่ในวัดตระทุนสารหาประมาณบอกม่ได้เลยนี่แหละท่านสาธุชนชาติเสรานิเถระเรามาตรวจมนต์ภาวนาถวายเป็นพระลาจะพู้สอนต่อองค์สมเด็จยา่าได้สมเด็จดับขันธสวนคตมีประโยชน์ต่อประเทศชาติมากหลาย อร่อยกระทั่งพระองค์ท่านหมาบอกพิษเราจะทุ่ม่านเจ้าก่อนนับว่าประโยชน์ใหญ่มหาศาลในโลกไม่ได้คลองล่าจะสมบัตรทุภาผ้าดิปปั้นกาเราก็ถวายพระพรชัยมงคลทุกวันไม่ขาดหนอกเหนือจากนั้นวันที่เก้าถวายเราจะปูสนอย่างสูงจเจริญสัตธรรมจักกระโปนสูตร รวมปัจจัยไหวถวายคุณไทยพัฒนารวมได้ล้านบาทแสนเน่ยก็คงจะสองล้านเศษแน่นอนเท่าที่เราคํานวณของเราเรารู้ของเราดีเรารู้บา ร, รมีของเราได้เวลาเรารู้ว่าทุนเรามีเท่าไหร่ควรจะจ่ายเท่าไหร่ควรจะช่วยใครเท่าไหร่และควรจะเก็บไว้ในตัวเป็นแสนระหว่างบา ร, รมีของตอนเทียนไดยอย่างไรเราค่าของเราดี เพียแต่จัดตังไว้ด้วยกับโพบิญดุฮิตขอท่านสาธุชนทั้งหลายผูใ้ใครทำทัมมาปฏิบัติอย่าประมาท ต, ตายได้ตายอย่างหน้าอนาตตายอย่างหน้าอนเนตอนาตแปวลว่าไร้สติขอให้เจริญกรร ม, มาฐานไปจนทุบิกรานจากโลกไปสู่สุขติปฏิสังขารอามาตยจะสำเร็จมักถผลที่ตนตั้งใจไว้ทุกประการ ขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านตังหลายผู้ใจบุญทุงทานผู้ปฏิบัติกรรมฐ า, านดีที่สดในประวรพระพุทธศาสนาไม่จงไปยุ่งแสหาเรื่องเลวร้วายในสังคมหาแต่เรื่องดีสร้างความดีสะสมใสะตนไปทุกอยากน้ำค้างที่ร้อยจากนภากาเดีเย็นชาบสร้างข้างอารมณ์ข้างกุศลในตน ด้วยน้าพระคุณอุ่นเปล่าอันชํำคันยิ่งคือบุญคุณต่อท่านมีบุญคุณอันนี้เป็นการูณนินามตัวจ ะ, จะเจริญยศเจริญฐานเจริญศักดิ์ารีนัทนงา น, จ ะ, น, จ, น, า น, านจะทำอะไรลูกหลานจะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีมาหากุตขอละจิตมีชีวิตแส่มใสในสังคมต่อไปขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ผู้ปฏิบัติธรรมทุ ก, ท, ก, ท, ก, ท, กท่านและทุกท่านก็ทงจเจริญทำ สัมมาปฏิบัติในหน้าที่อันนี้เป็นการสะสมทุกวารจิตแต่ขอจงเจริญไปด้วยอายุวันนาสุขาพละปฏิภาณธนาสารสมบัตินึกเชื่อจริงเปรการใดก็ขอให้สมมาปาถนาด้วยการทุกขรกทุกนามนาอกาสบัตินี้เทินยะชาวติวะาผู้ราปาิผู้เลนตือสาขลางัง เอวเมวอิโตที่นางเปตานางอุปกะปฏิจิตตังปฏิจตังตุมหังหรือเมวะสเมชะตัวสะเพปรเณกูตังกับปาจังโผลนาละโสยะคานมณิชโตริละโสยะคาน ขอเทอสัต์กากับทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เสียตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวณแก่กันและกันเลยอัิยาปชา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ชยาบาทเกียดเกียนซึ่งกันและกันเลยอนี้คจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขถีอัตนังปริหะรัเติด จะมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเธอนัังกิจิตรน ม, ม่ะอีทางนีมาตาปิตุนางโหุสุขิตาโหรสุ มาตาปุตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มาดาปิดาของข้าพเจ้าขอให้มาดาปิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังนียาตินังโหตุปิกิตาโหตุยาตโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแต่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทางเมครุปัชชายาจริยานังโหตุสิกิตาโหตุครุปัชชายาจาริยา ขอเชิญวันนีน้ทรงสังเกตแต่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทามจับพระเทวานังเโหตุสุสิตาโหตุสบับผีเทวะ ขอเสวนดินนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพิตเตตังหตุปุกิตาโหูตุสัพพิเตตาขอเสวนดินนี้จงสําเร็จ แก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทงังสัพเพเรนังโหตุปิชตาโหตุสัพเพเรนีขอส่วนวันนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงมีความสุขอิทังสับแชสัต์ตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้ตรงสำเร็จแ่สัตทั้งหลายขอให้สัตทั้งหลายจงมีความสุขทุกข์ สมาสัุพุทโธพระสว่างพุทธังพระสวันตังอธิวาเทสวะวะโตพะสวัตตาธโมธรรมนัมสาธาสุปฏิปันโนพระสวัตโตสาวะกาสังโฆสามัคคีมะ ทขาโม สิปนโนภะคะวะโตสะอาวะกัสะโค